เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนาม า, จ, าจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ได้ไปที่อื่นๆซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกปแปลกหูแปลกตา ว่าอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรเกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิจยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพกุทศาสนามรารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมรรยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจากคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้อสึกว่เมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก, ก็เกิดกับวดัดบุญง่ายๆวางั้นเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม่เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลําดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาคุณยามายาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิตพระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าเข้ า, ข า, ขากนันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นรูปของพุธกิยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมทันต่อมาสัตว์คนค่อยเหืนห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลําดับลําดับกิยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากบางไทยัไปแล้วมันก็แปลรูปแปรตาไปเลยก็ยึดออกมา นะครเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสุดต่อตัวเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสุดต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันคเข้าไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏเลยแล้วแม้แต่ภายในวัดก็ความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็พราะอำนาจของกิเลส ย่อมีความอยากรู้อยากเห็น อ, อยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางๆหูจ ม, มูกท้องการมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพันงน่ายๆซึมซาบเขยิบได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผลอไป ผลทุกท้าก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบัรพ์กาลไหนแม้แต่ครั้งบุญการลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรา สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นเจ้า น, นี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลาดับศาสนาะจม่มีพระมหาศาลก็ไม่มีนี่ะถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาออกมาจากพ่อจากแม่ แล NO. พ่อแม่ก็ไม่สาคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสาคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนละกันอูคนไม่มีความสําคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชน ถ้าไม่ใ่คนที่เห็นประชาชนเป็นสาคัญน่ะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็ต้องเห็นครูทห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสาคัญเห็นศาสนาเครื่องดัดแปลงการว่าใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นเดยลำดับนี่ก็เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ําลงไปเรื่อยๆ ถือว่าสิ่งที่ทต่ำๆนะว่าเป็นของดีของประเสริ์ยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสี ย, ยผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้ว อ, อย่างโดดมานี้จากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยเรานี้วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนี ท้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพี่นาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกนั่นฟังบิไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัย ใม้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ใหうう้อภ <Tao> ัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะวศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มี ความสม่าเสมอเห็นความสําคัญของการละกันยิ่งกวา่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดผาดเลยโดยมีความเมตตาปานนี้อะเลยนี่เหลือประชาชนสําคัญอย่างนี้เหลือสําคัญใะทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความรม่วมมยงเป็นสุดนี่คือเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรม ใครจะเสกสารปัญญ้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลําดับลาดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นอามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้อย่างไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนและพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารกาเรเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดตังแต่อารมณ์สั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้ยังสาธภาวะกันยังสอนมาด้วยมา ร, รยาทสอนโดยการแสดงออกทั้งอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลําดับธรรมดา มัขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังบุตตาดาลัสสังกโหให้อธรรมปัจถกอุญายบิดามันดาผู้บังเกิดกร้าของตนใหมีความไม่เยินเป็นสูบย้าเกิดความกระทบกระทัวนอันใดดีเป็นการถกช่ำพนาจิตใจแล้วการสงการสงเคพาะพณิยาบุตร บุตราลสังกหูมีการจงเคราะห์บุตรภรรญาหนุ่หลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้อศา ส, สนาไม่เป็นของสําคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเที่ยวแยงเอาหางเขามาใส่อย่างสิแล้วสุ น, นัข ก, ก็จะเดือดร้อนอ่าไปแย่งหางมันมันก็หวงสิไปแยงหางเดี๋ยวมันกัดออกแล้วหาวสุ น, นัขมันทํา กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุ น, นัขอีกนี่นี่เลยเกิดฆ่าสึกขึ้นไปจนกระทั่งสุ น, นัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุ น, นัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไมาได้ตัวไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เสียดายเขาก็หงอยหงอยกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีนี่ตัวลงก็โกรธหรือเครียดแค้ น, นะคะ่ะเขาตามฆ่าสุ น, นัขเลย มันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นน่าชาัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันดาวฟ้ากับดินเลยหลวพุทธยากลับทรงสอนสอนด้วยความนมตตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีอห่างมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้น ไม่ล่วงล้ำไ ม, ไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายหเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ ท, ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันน่ะสอนไปหมดนี่ก็ะดูกทุนหนสัจนา พมาหากษัตริย์เป็นของสงั้งพันอย่างไรบ้างย่นเข้ามาพาในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ตัววันนี้ ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาและสอนคนให้มีความร่มจมชิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาโดย่า่เดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละ ผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปตรงแรกจรงหว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนาธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี้ยปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่สอน ก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่พอย่างยิ่งการอารมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแห่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภยัยเพราะกิเลสยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับรัทีิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่มันยแย่ก่อกวน ให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแหย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่ก็ควรพรองคนี้จริงไม่จริงไม่สําคัญขอให้ยุได้แหย่เล่าก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนมาทั้งหลายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่ เกิดขึ้นจากการยู่ยแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความยู่ยแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนีร่ร้อนต่างเข้าไปร้อนต่างเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บนก่นใช่ั่งหรือามากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในจริงถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยู่ยแย่กบฏอยู่เวลานี้นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจ แล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับได้เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับ ก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไร่ขับไร่อะไรขับไร่ตัวพิษตัวไผ่ใจก็มีความสงบลมเย็น ท, ทั้งที่เราไม่เคยเลยต่างแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงจใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่สร้างพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวัน คือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุง้งซ่านบุ่มุ่าายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟอเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองเช่ไเตารีด ก, ก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟี่เลกตัณหาอาสวะนั้นเผารวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาฐานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกอง ไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลํำดับมีกิจตภาวนาเป็นสําคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลําดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอํานาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุด ความหมุนติวต้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไข เรางับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลําดับ ๆ, ๆ, ๆจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติ เป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ตล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความชํำพันของตัวขึ้นมาแล้ว ศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอจลศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็ต่างแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลาดับจนห้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่า น, นี้ไปโดยลำดับเท่านั้น สุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความจำคัญมั่นหมายลู ก, ลกคๆคำคำเพราะความไม่แน่ใ จ, เ พ, ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสวงโดยความเซสอร์ซ่าของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนั่นที่นี้เรากับโลก เรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าข้าวันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สาบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบรุ่มเย็นภายในกิจเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรม โดยไม่มีความโศกเศร้าของหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลิอนอ ย, อย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กับอัดกับทำคือความสงบเบย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธทำเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็น ช, ชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ด้วยอํานาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเบย็นใจนั้น เป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขิพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่พ อ, อย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาข้าโดยลำดับเรียนเรื่องของตัวเอง จนก็ทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลํำดับลำดั บ, ดบรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสงาาพพ่าผ่าเผยกําหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโลดอยู่เลยแบบเบากับเบาเหมือนว่าเบาไปทั้งทั้งร่างกาย ความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่นักอึ่งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันทึงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ควจะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่ อ, อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขจัดแปลงสิ่งที่จะทําให้อักเฉาเบาปัญญา แก้ไขไปโดยลำดับอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญขึ้นตามความเปลี่ยนตามความพยายามตามความส่งเสริมหลู่ไหนก็เหมือนว่าสูงล่ะที่นี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าปรอยู่หนุนอวกาศนู่นที่นี่เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลก ป, ประนาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิต ที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สงงาผ่าเผยอยู่ดินี่แหละผลเห็ น, เ ห, นเห็นประจักษ์พานกิจปัญญาพิจารณายู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแก้ไขหรือถอดถอดนออก เป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลาดั บ, ดบผมสุดท้ายก่อนแยกบูบเสียงกลิ่นลดเครืองสัมผัสก็แยกออกแถวได้จากกันได้บูบเวทนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณก็แยกจากกันได้ไได้วยกัญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้มไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกเรากับเป็นยอด แห่จิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าเข้ามาสู่ธรรมปรทีปคือความสว่างสวัยอันมวยสุขุดผ่องภานในจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วย มูลสดมูลแห้งตเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเดียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่อ ง, องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถมก่อนจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็น ใ, นใจไม่มีคุณค่าเห็นถึงนั้นถึงนี่ว่าเป็นคุณค่าไว้มมติหลงโลกหลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเวลาเราจะไปว่าอะไรตั้งแตดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยา มันเป็นบ้าอยู่ทุกแห่งตู้หนโลกมันร้อนก็น ร, นกนร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์ตนเองอมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจทางที่เหลือตันหาวิชาปิดมืดมิ ด, มดปิดตายอยไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกให้มันร้อนทั้งหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้น พราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอํานาจมากอะไรมันร้อนไปหมดเนี่ยน่นเราดูนี่ยความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอํานาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอํานาจแห่งธรรม มันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปสุดๆร้อนๆ น, นั้นกับเวลาเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่าขยากักขยแยงในตัวเองไี่ดูแล้าพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่าต า, างงมตระหนันาทางเติงโอกมันงันอยูตามถนนทาง แล้วอยู่ทำโรงพยาบาลมีสมเด็จจ้าพระยาเั็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนน่นและแบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไกล่ฟังด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าถึงินผ่านบ้าอํานาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาลโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยาก อยญ่ใหญ่โตใหญกคลองโลกคลองสองสารทั้งตั้งติดป่าชาติเราติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายมัมนทําให้โลกร้อนถ้าเดี๋ยพี่จะนาวความตายละวันนสักสองหนตอนนั้นก็ยังพอจะมีเบรกห้ามล้อ บ, บ้างงั้นโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติมันจึงควรให้มีทั้งขันเล่น คือเร่งต่อความภาคเกียนเพื่อสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำดับอ้าวหมูนพองอไรงมาลัยไปตามเฉ็มทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงส่งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระัว่าไงไหนดำเนินไปด้วยความปลอดภยัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัย ความปลอดภัยไล่ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสาคัญตอนนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ไม่หมดขิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทำรวนๆรงภายในใจิตใจนั่นและท่านโลกเย็นๆตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้น สงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมาใ ย, ยกับซากกับศพนม่ต้องเก็บไม่ต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครจะมาทํางานทําจบให้เราดีๆทำให้ ม, มันดีไปอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญอะไรกับร่างกาย เป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงไปใ ย, ยอะไรกับกระดูกทราบผีตายนั่นเ อ, อืมยังไม่เห็นโทษ ท, ท, ทั้งมันหรือขนาดเน่าเฟืไปแล้วยังไม่เห็นโทษทั้งมันอยหรือมันทุกข์จนถึงขี่สุดแล้วกันไปตายจนเน่าเฟะ่อ ย, ยังไปห่วงไปห่วงอะไรมัน อ, อีกห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหาเกาะพบเกาะชาต ทหาจับจองป่าช้านห่งตัวนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของเกดอาสวะทำน้นเหตุเห็นผลกับตัวเองปโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่สมกว่าเราเป็นเมืองพุทธ พุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจกนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่าศาสนาพุทธเราก็ถือาศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเกี่ยวข้อมาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดัะ เรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเยอกเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตายมันก็อันเดียวกันนลยระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันไปตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่ น, นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิต ก, ก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัว ถึงมังพอแล้วก็สบายหายรู่ยเ่อก่อกวนตนเองเท่านั้นอา阿ะเอวัง